ครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับ <c oughs> ในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูถึงเรื่องของชีวิตพระเยซูตอนที่สิบเอ็ดนะครับซึ่งตอนที่สิบเอ็ดถึงตอนที่สิบสี่นี้จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดซึ่งเป็นผู้นำมันคาเตรียมมันคาขององค์พระวิญเจ้าคือพระเยซูกี่ของเราครับท่านผู้นั้นคือยอนเดอะแบปติสต์ครับผมได้ติดค้างเรื่องฟาริสีและซาดูสี ซึ่งเป็นผู้นำพรรคนะครับทั้งสองพรรคซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญนะครับกับบรรดาชีวิตของคนยิวในปาเลสไตน์ในสมัยนั้นซึ่งผมก็จะขอพูดสั้นๆนะครับว่าฟาริสีนั้นเป็นพวกที่มีมีทิธินะครับเป็นกลุ่มที่รักษากฎระเบียบทางศาสนาอย่างเข่งคัดเข่งคัดในกฎหมายของโมเสสครับ พวกเขาก็เชื่อฟังระเบียบมากกว่าการทําตามคําสอนของพระเยซูนะครับและพวกนี้เนี่ยพระเยซูบอกว่าพวกเขาเป็นคนที่น่าซื่อใจคดครับเขาทําตัวให้น่านับถือในสังคมนะชอบเกียรติชอบศักดิ์ศรีของตัวเองมากกว่าอันนี้คือสิ่งที่เป็นคุณสมบัติของพวกสะดูอ่าเป็นของพวกปริสีครับต่อไปนะครับพวกสะดูสีนั้นก็จะเป็นกลุ่มผู้นําทางศาสนาของชาวอยู่ในปาเลสไตน์ พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้นำทางการเมืองและมีอิทธิพลครับเพราะ ร, ำร่ำรวยตระกูลมหาปุโรหิตนั้นล้วนอยู่ในพรรคะดูสีเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากครับในช่วงปี200ก่อนคศนะครับจนกระทั่งถึงปีคศ70นะครับเราคงจำได้นะครับว่าปีคศ70นั้นหลังจากพระเยซูยเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เรียบร้อยแล้วนะครับโรมก็ยาตราทับมาแล้วก็ทาลายกรุงเยรูส a l e มและทั้ง รวมทั้งพวิหารด้วยกลุ่มชะดูสีนั้นแอคทีฟอยู่จนถึงปีคศ70ครับกลุ่มนี้ตั้งตัวเป็นศัตรูกับพระเยซูเพราะเขาปฏิเสธคำสอนและการปฏิบัติทุกอย่างที่ไม่ได้บันทึกไว้อยู่ในหมวดธรรมบัญญัติและรวมทั้งเขาก็ปฏิเสธคำสอนที่อยู่ในมิชนานะครับอยู่ในหนังสือคอมเมนตารีที่ผมได้อ่บอกกับพี่น้องเล่าให้ฟังตั้งแต่หลายตอนก่อนหน้านั้นครับ พวกเขาไม่เชื่อเรื่องการเป็นเครื่องเหนือความตายครับและเขาไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายคือการรับบําเหน็จรังวันหลังความตายหรือการรับโทษหลังความตายพวกนี้ก็ถือว่าความคิดและปัจจัยของเขาเป็นคล้ายๆกับโมเดิร์นนิซึมในสมัยนี้ครับก็คือตายแล้วตายเลยครับและมนุษย์นั้นมีอิสระเสรีในการที่จะปกครองตัวเองดูแลตัวเองและสร้างความชอบธรรมและคุณธรรมของตัวเองขึ้นมาโดยมีโดยมี บัญญัติของโมเสคนั้นเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นเองครับนี่คือลักษณะเด่นของกลุ่มชาดูสีครับพี่น้องครับเรากลับมาถึงชีวิตของยอนเดอะแบปติสต์นะครับได้บันทึกไว้อยู่ในพระธรรม 3, 4, มัทธิวบทที่สามข้อที่สี่และมาระโกบทที่หนึ่งข้อที่หกนะครับเราทราบจากพ้อคัมภีร์เหล่านี้นะครับว่ายอนนั้นสวมเสื้อผ้าที่ทำด้วยขนอูดนะครับและใช้หนังสัตว์คาดเอว และ อ, อาหารของเขานะครับก็คือตักกระแตนซึ่งเป็นที่มาของโปรตีนครับและน้ําผึ้งป่าซึ่งเป็นที่มาของวิตามินทั้งหลายที่เกิดจากผลไม้ต่างๆนะครับยอนั้นมีอาหารหลักนะครับก็คือตักกระแตนและน้ำผึ้งป่าเพราะโอชาพระเจ้าบอกว่าเขามีอาหารนี้นะครับเขากินอาหารแบบนี้และแต่งตัวแบบนี้เพราะฉะนั้นคนที่แต่งตัวแบบนี้ครับเดินออกมา ท่ามกลางชุมชนุมชนหรือฝูงชนก็รู้ครับว่าคนเนี้น่าจะเป็นพวกนักบวชนักพรตต่างๆนะครับในสมัยนั้นในสมัยนั้นก็คงจะคิดว่าคนเนี้เป็นผู้เผยพระชนะครับและยิ่งคนคนนี้เนี่ยกล่าวอะไรนะครับซึ่งเป็นคําสอนเรียกร้องให้คนกลับใจแน่นอนครับก็มีคนที่กลับใจและเชื่อฟังและหันสํานึกความผิดความบาปและหันออกจากความผิดความบาปนั่นคือกระบวนการการกลับใจใหม่ครับ บางคนก็เลยคิดว่ายอนนั้นเปเอริยากลับมาเกิดนะครับไม่มีคำพยากรณ์จากผู้เผยพิญญาตเลยนะครับมา400ปีแล้วยุค400ปีก่อนพระเยซูจะเสด็จมานะครับใน <c oughs> ในเชิงาศาสนศาสตร์เรียกว่ายุคเงียบครับก็คือไม่มีการตรัสอย่างชัดเจนเลยนะครับ400ปียอนเป็นผู้เผยเพระญะตคนสุดท้ายนะครับตามที่รู้จักกันจากยุคเพิ่มพีพันธสัญญาเดิมครับ และคำเผยเพระเจ้าของยอนเดบับติสนั้นเป็นข้อความใหม่เมื่อเราอ่านจากพระธรรมลูกาบทที่สิบหกข้อสิบหกนั้นพบว่ามีธรรมบัญญัติและผู้เผยเพระเจนะมาจนถึงยอนตั้งแต่นั้นมาเขาก็ประกาศข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าและคนทั้งปวงก็ชิงกันเข้าไปในแผ่นดินนั้นพี่น้องครับเรากลับมาดูนะครับตา ก, กแตนเนี่ยเป็นอาหารที่รับประทานได้หรือไม่นะครับยอนนั้น รับประทานตะกั่นแตนซึ่งเป็นอาหารประจำของชนในถิ่นทะเลสายในท่านเลวินิติบทที่11เขายี้มสอนครับระบุว่าตะกั่นแตนนั่นเป็นอาหารที่รับประทานได้ไม่ได้เป็นอาหารบนทินใดๆ น, นะครับนั่นเราจะเห็นว่าไม่มแมลงบางอย่างที่พระเจ้าอนุ ญ, ญาตให้มนุษย์กินตะกั่นแตนก็เป็นสัตว์ที่สะอาดครับในเวลาหลายร้อยปีไม่มีผู้เผยพรพชนะเลยฉะนั้น เมื่อยอนปรากฏตัวขึ้นในฐานะผู้เผยพระชนะนั้นทําให้ผู้คนก็พากันไปหายอนในถิ่นทุรกันดาลของแค้นยูเดียเนี่ยครับซึ่งยอนนั้นก็เทศนาอยู่และใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นพระธรรมาราโกลกล่าวว่าคนเหล่านี้มาจากกรุงเยรูซาเล็มและบริเวณโดยรอบของยูเดียลู ก, กากล่าวว่ามีคนจำนวนมากมาฟังยอนเทศนาเขา พวกเขานั้นพบยอนในถิ่นทั่วกันดานของแคว้นยูเดียซึ่งเป็นดินแดนแห้งแรงทุรกันดารทางตะวันตกของทะเลสายพี่น้องครับหากปัญหาเซตติ้งแบบนี้นะครับก็เป็นเชตติ้งที่คนที่อยากจะมาฟังการเผยพรชนะนั้นเขาต้องเดินเข้ามาในถิ่นทั่วกันดานครับเขาต้องเดินออกจากความสะดวกสบายของตัวเองเขาต้องรู้ว่าการเข้าไปฟังพรชนะพระเจ้าในถิ่นทั่วกันดานนั้นมันคุ้มค่า แลกเปลี่ยนกับความสะดวกสบายได้ครับนี่เป็นเหตุที่ทำให้เป็นข้อบทเรียนของเราในเช้าวันนี้นะครับหลายๆลายคนพยายามนะครับที่จะหลีกเลี่ยงไปในที่ที่ไม่สะดวกไม่สบายแต่ถ้าหากว่าที่นั่นมีพระเจ้าอยู่ที่นั่นมีพระวจนะของพระเจ้าอยู่ที่นั่นมีคาเผยพระวจนะอยู่พี่น้องครับไม่เป็นเรื่องที่คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเลยเพราะว่าคุ้มค่ามาก ต่อมาคุ้มค่ามากกว่าในการที่เราจะเดินออกจากคอมฟอร์ตโซนของเราเข้าไปอยู่ในถิ่นธุรกันดารเพื่อที่จะได้ยินได้ฟังโภชนะของพระเจ้าหลายๆครั้งนะครับเราต้องเอาชนะตัวเองในการลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้าเข้าเฝ้าพระเจ้าฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าฟังคำตรั์ของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกวินัยของเรา ในสมัยก่อนนั้นคนเดินทางออกจากบ้านของตัวเองเข้าไปถนรงรั้วดานเพื่อที่จะฟังผู้เผยพระชนะเช่นยอนนี่แหละครับน่าจะเป็นตัวอย่างชีวิตของพวกเราด้วยเราจะาดูนะครับว่าเป้าหมายของยอนนั่นคืออะไรเป้าหมายของยอนตามพระวจนะของพระเจ้านะครับมีอยู่สามประการครับประการแรกคือจัดเตรียมหนทางสําหรับพระเยสุคริสประการที่สองคือเพื่อเป็นพยานถึงพระเยซูผู้เป็นความสว่างของโลกประการที่สามครับ เพื่อเทศนาให้คนกลับใจสำนึกผิดและรับการอภัยโทษจากพระเจ้าเตรียมตัวให้รู้จักกับพระมาศีหาผู้ยิ่งใหญ่ผู้เป็นผู้ยกโทษบาปอิสยาบทที่40ข้อ3นะครับอ่านได้อย่างนี้นะครับเสียงหนึ่งในถิ่นทัววกันดานรพร้องว่าจงเตรียมันคาแห่งพระเจ้าในถิ่นทร่วกันดารจงทำทางหลวงสำหรับพระเจ้าของเราให้ตรงไปในทะเลสาย มรารคีบทที่สามข้อหนึ่งซึ่งผมได้อา่านไปแล้วนะครับดูดเถิดเราส่งทูตของเจ้าไปตระเตรียมหนทางไว้ข้างหน้าเจ้าและพระเจ้าผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั้นจะเสด็จมาเราเห็นนะครับว่าทั้งมัตทิวและลูกาต่างก็ยกค้ำพยากรของอิสยาในบทที่สี่สิบข้อที่สามมาพูดมากล่าวนะครับแต่ลูการนั้นยกมากล่าวมากมากว่ามัตทิวท่านนั่นเองการจัดเตรียมหนทางนั้นหมายความว่าสําหรับกษัตริย์ เพื่อที่จะเสด็จผ่านถิ่นทั่วกันดารครับพี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาในขณะที่พระเจ้าจะเสด็จมาย่อมมีเหตุการณ์บางอย่างสําหรับเราทั้งหลายทุกคนในทุกวันนี้ครับเมื่อพระเจ้าต้องการปรารถนาจะพูดและสื่อสารกับมนุษย์กับเราทั้งหลายพระเจ้าจะต้องมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้เราได้พุ่งและเน้นความสนใจโฟกัสความตั้งใจอินเทนชั่นของเราให้กับพระเจ้าอะไรครับที่พระเจ้า กำลังทำกับเราอยู่ณเวลานี้อะไรเป็นการเตรียมหนทางของพระเจ้าในชีวิตของพวกเราทั้งหลายอยู่ณเวลานี้ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านอาเมน